ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมกำลังพูดถึงเรื่องสมาธิสูตรในมัชจิมณิกายมูลปัญนานะก็เป็นพระสูตรที่มีการอธิบายขยายความกรอกขอบข่ายของ องค์ธรรมแต่ละข้อออกไปโดยคือไม่ถึงพิสดารมากแล้วแต่ว่าถ้าเทียบกับที่อื่นแล้วก็พิสดารในขณะเดียวกันข้อความสั้นๆที่มีอยู่ในพระสูตรเช่นคำว่าอากุศลคำบด1ิกุศล ค, คำบด1ิ พอมาถึงระดับอัตกถาท่านขยายทั้งสิบออกไปโดยให้รายละเอียดในภาคของการปฏิบัติวันองค์ธรรมสองกลุ่มนี้เป็นองค์ธรรมใหญ่มากเป็นมนุษยธรรมเป็นอริยธรรมเป็นกุศลธรรมเป็นคุณธรรมบอกอะไยความว่า คนเราขอเพียงดำรงชีวิตยอยู่ในกรอบของกุศลกรรมบทสิบประการเท่านั้นสามารถจะขับเคลื่อนโลกไปสู่สันติภาพพีถาวรได้โดยไม่จำเป็นจะต้องให้รางวัลพิเศษเพราะคนดีใกล้เคียงกันแต่ว่าเราก็มีปัญหาในเรื่อง กุศลนะกุศลชุดเนี้คือหมายความว่าส่วนกุศลมีคนปฏิบัติได้กันน้อยส่วนอกุศลค่อนข้างจะแพร่หลายทําให้เกิดมีปัญหาในด้านทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งความมั่นคงทางการเมืองทางการทหารก็เรียกว่ามีปัญหาทุกเรื่อง เพราะเพราะว่าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตหรือว่าชีวิตกับรัพย์รวมแล้วก็หมดโลกแล้วเพราะนอกจากชีวิตก็เป็นซัพย์นอกจากทรัพย์ก็เป็นชีวิตและในบางการณีชีวิตก็เป็นทรัพย์ด้วยและทรัพย์ก็เป็นชีวิตด้วยซัพย์ ไม่มีชีวิตแต่ว่าทรัพย์บางประเภทก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเช่นวัตว์เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตแต่ว่าฐานะของเขาก็เป็นทรัพย์ก็เป็นสิ่งที่เจ้าของก็หวงแหนการละเมิดในเรื่องเหล่านี้ก็อยู่ที่กายทุจริตกายวิจิตทุจริตเป็นเรื่องใหญ่ แต่มันก็สืบเนื่องมาจากมโนทุจริตคือถ้าหากว่าใจเราสุจริตพอก็ไม่มีการรลวงละเมิดหรอกแต่ว่าคนไม่สามารถพัฒนาจิตไปอยู่ในจุดนั้นได้ส่วนมากก็ทำให้เกิดปัญหาก็อย่างที่บอกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกขณะ ในโลกนี้เพียงแต่ว่าเกิดขึ้นในส่วนใดของโลกเท่านั้นเองตัววันก่อนได้พูดมาถึงเรื่องของการเมสุมิชาจาร์คือการประพฤติผิดในทางประเพณีประเวณีประเวณีก็คือการทำลายเชื่อสายของกันและกัน เช่นว่านายกอแต่งงานกับนางขอแล้วนายคอมาแอบบินชู้กับนางขอจนนางขอมีคันนายกอเองไม่รู้ก็เข้าใจว่าเด็กที่คลอดออกมานั้นเป็นลูกของตนนางขอรู้แต่ไม่ยอมบอกก็ทาให้องค์สกุลของนายกอสับสน สายเลือดดึงเข้ามาปนอยู่ในส ก, กุลมาเบียดแทรกอยู่ในส ก, กุลก็ทำนองกาว่าวไข่แม่กาฝักแต่ว่านั้นเป็นเรื่องสัตว์เดรัจฉานคือมีความเลวร้ายมีความรุนแรงไม่มากแต่วันนี้ก็รุนแรงมาก ถ้าเรียกการประพฤติเหล่านี้เรียกว่ามิจฉาจารย์คือการประพฤติในทางชี่ผิดถ้าคนที่เราไปล่วงเกินนี่คุณไม่มากโทษมันก็ไม่มากแต่ถ้ามีคุณมีศีลมีธรรมะสูงมีโทษมากอย่างที่นั่นถ้ามนุษย์ไปล่วงเกิน พระบวุว น, นาเทรีภิกษุณีแล้วก็วิ่งหนีไปในพอรับสายตาพระเทรีท่านนั่นเองก็ถูกธรณีสุบแล้วเพราะว่าพระบุญว น, นาเทรีท่านเป็นพระหันเป็นลุงเกินบุคคลขนาดนั้นเนี่ยมันก็สุดสุดแล้วเป็นความสุขชั่วขณะสั้นๆ แต่ว่าเป็นความทุกข์ชั่วในรันดอนเพราะว่าอยู่ในอเวเีมานารกนี่ไม่รู้ว่านับวันเดือนปีกันยังไงเปิดเกณฑ์กำหนดตรงนี้ก็มีคุณมากกับมีคุณน้อยสาหรับบุคคลที่ถูกล่วงละเมิดในทางเพศก็แสดงว่าคนที่ล่วงละเมิดในทางเพศต่อท่านที่มีคุณธรรมสูงนี่แสดงว่า ตัวเองคุณธรรมต่ำมากตามจนควบคุมสัญชาตญาณกึ่งสัตว์เรื่อฉานของตัวเองไว้ไม่ได้แล้วก็ประพฤติล่วงละเมิดในบุคคลที่ไม่ควรแก่การล่วงละเมิดบาปกรรมจึงหนักเหตุองค์ประกอบของเรื่องเหล่านี้ก็มีอยู่สี่ประการคือหนึ่งเป็นบุคคลที่ต้องห้าม ดันี่กรามาแล้วในตอนต้นแล้วก็จิตคิดจะเสพในบุคคลที่ต้องห้ามนั้นแล้วก็ลงมือเสพแม้แต่เพียงให้อวัยวะกับอวัยวะจดกันเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นกามเมสุมิชาจา์มันมัน ลักษณะการกระทานี่เขาเรียกว่าเป็นสาหัสที่กะประยุกคือหมายความตัวเองทำเองแต่ใช้ให้คนอื่นทำนั้น็ะทอกก็ลดลงมาแต่จะถือว่าไม่ผิดมันก็ไม่ได้แล้วอข้อต่อไปก็คือมุสาวาทถ้าลองสังเกตว่าปากเรานี่ปากเดียว เรามีตาสองตามีจมูกสองรูมีหูสองช่องแต่เราก็ามีปากแค่เพียงปากเดียวปัญหาที่ปากกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราเรียกว่าปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมก็เป็นปัญหาเรื่องปากเรื่องท้อง ในที่นี้มันก็เกี่ยวกับทั้งสองอย่างแต่ว่าตัวหลักนั้นก็คือสังคมกับเศรษฐกิจก็เป็นการหักรานคนอื่นด้วยวาจาแล้วเมื่อพูดออกไปเนี่เป็นการหักรานทำลายผลประโยชน์ของบุคคลอื่นของคนที่มุ่งจะพูดให้มันผิด คือคลาดเคลื่อนจากความจริงก็เรียกว่ามุสาวาดเจตนาของผู้พูดให้ผิดต่อคนอื่นประสงค์จะเข้าจิตผิดอาจจะเป็นการกระทําทางกายหรือว่าพูดทางวาจาก็ได้ก็เป็นที่เกิดของมุสาวาต อีกอย่างหนึง่งท่านอธิบายว่าเรื่องไม่จริงไม่แท้ชื่อว่ามุสาวะการให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องเท็จนั้นว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ชื่อว่าวาทะที่ว่าการพูดแต่โดยลักษณะเจตนาของผู้ประสงค์จใจผู้อื่นเข้าใจเรื่องที่ไม่จริงไม่แท้ว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ ก็เป็นการเคลื่อนไหวได้ทางกายกับทางวาจาทีนี้ก็ชื่อว่ามุสาวาตมุสาวาตนั้นตามปกติก็จะมีโทษมากหรือน้อยก็ดูที่ผลประโยชน์ซึ่งคนนั้นถูกทำลายเพราะความเชื่อถือวาจานั้นมากหรือน้อยแต่ว่ามีผลออกมาเป็นการทำลายแล้วก็เกิดเสียหายมาก บางครับ้บางราอาจจะไม่มีเจตนาอะไรแรงต้องการจะเล่นสนุกสนานอย่างเมื่อหลายปีมาแล้วท่านทั้งหลายคงคงนึกได้นะฮะที่ก็พูดถึงดาวแบดดวงจะวิ่งข้าชนโลกมีการแสดงละครทางวิทยุที่รุมรอนดอนป London, ระเทศอังกฤษ คนที่ภาคละครมันก็พากเอาเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องจริงเลยนะคนที่อินกับบทภาคเนี่ยมันนึกว่าเป็นเรื่องจริงปรากฏว่าพอมนุษย์ต่างดาวบุกเข้ามาเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งวิ่งไปชนกันไปเหยียบกันบาดเจ็บล้มตายกันเยอะก็ปรากฏว่า การเล่นละครวิทยุคราวนั้นผิดกฎหมายกันทันทีสร้างความอุสานขวัญแขวนให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนจนถึงกระบาดเจ็บล้มตายเจตนาเราจะเห็นว่าเจตนาให้สงบทบาทแต่ไม่ได้นึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นมาจากการเล่นละครในลักษณะอย่างนั้น ในสุดก็ข่าวว่าถูกตัดสินจำคกกุกกระกันทีนี้สำหรับชาวบ้านเนี่ยมุสาว่าที่เป็นไปแล้วเช่นว่าไม่มีเพราะไม่ประสงค์จะให้ของของตนแก่คนอื่นเจนสมมุติว่าเขามาขอของอย่างไรอย่างหนึ่งเรามีของแต่เราก็บอกว่าไม่มี มันก็ไม่ได้ถึงกับทาลายอะไรเขามากเพียงแต่ ว, ว่าเขาไม่ได้ตามที่เขาต้องการเท่านั้นเองท่านก็บอกว่ามีโทษน้อยคือการพูดและสษณนะนั้นเนี่ยมันมีโทษไม่มากแต่ว่าที่กล่าวเบิกความเท็จไปหักล้างกู้ความทำเรื่องจริงให้เป็นเรื่องเท็จทำเรื่องเท็จให้เป็นเรื่องจริง มันเรื่องเสียหายมากก็ถือว่ามีโทษมากทีนี้สำหรับสมับนักบวชมุสาว่าที่เป็นไปโดยในย่าแห่งบุรณกถาคือผู้เสริมความหรือเล่นสำนวนเช่นพูดว่าวันนี้ น้ำมันในบ้านไหลอย่างกะแม่น้ำเชีย่ยวก็พูดเรียบเคียงเนี่ยอาจจะพูดถึงเนยใสยน้ำมันอะไรแต่ะนภาในบ้านต้องการเดี๋ยวขอก่อน้้ำมันก็เป็นเขาเรียกว่าปริกถาคือพูดเรียบเคียงมีโทษไม่มากวินัยก็ปรบาบอาบัติทุกกฎ แต่ว่าก็สมัครพระแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะก็คือพูดพูดขนาดนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ของผู้พูดสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าได้เห็นเป็นต้นไม่ได้เห็นว่าได้เห็นไม่ได้ยินว่าได้ยินไม่ได้ทราบว่าได้ทราบไม่ได้รู้ว่าได้รู้เนี่ยก็มีโทษมาก เพราะว่าคนเข้าใจคลาดเคลื่อนร0อยเปอร์เซ็นลยคือการอ้างว่าได้เห็นเนี่ยมันทำให้เราเชื่อทำให้เขาเชื่อได้ง่ายแต่ตนนี้ตนไม่ได้เห็นแต่ว่าทำยังไงเขาจะเชื่อมาบอกว่าตนได้เห็นเป็นการเสริมความจากความไม่จริง ความไม่จริงให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเป็นความจริงเป็นเจตนาที่มุ่งให้ความสำคัญแก่เรื่องที่ตนนำมาพูดโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่ผู้รับฟังจะได้รับจากข้อความมันเป็นเท็จเช่นนั้นเพราะองค์ประกอบที่เป็นเหตุให้เรียกว่ามุสาวาตทีงเรียกว่ามุสาวาตมุสาวาด ก็มีองค์ประกอบอยู่สประการคือหนึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงสองตั้งใจที่จะพูดให้ผิดจากความเป็นจริงคือเรื่องไม่จริงเนี่ยแล้วก็ไปพูดได้เห็นว่าจริงแล้วก็พยายามพูดกู้อืนเข้าใจเนื้อความนั้นประเด็นตรงนี้มีความสำคัญ คือถ้าเราพูดไปแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจก็ถือว่าเลิกแล้วต่อไปเพราะไม่ได้ ห, งหางลาอะไรใครคำพูดเหล่านั้นก็ควรจะจัดเป็นคำพูดเพื่อเจอไม่ใช่เป็นคำพูดเท็จเพราะผู้ฟังไม่รู้เรื่องทีนี้ก็มีประโยคเดียวคือพูดเอง ประโยคนั้นพึงเห็นว่าได้แก่การแสดงกริยาจะพูดให้ผิดต่อผู้อื่นด้วยกายหรือด้วยเนื่องด้วยกายหรือด้วยวาจาถ้าผู้อื่นเข้าใจเนื้อความนั้นด้วยกริยานั้นกริยานี้ชื่อว่าเนื่องด้วยมุสาวาทกรรมในขณะแห่งเจตนาที่มีกริยาเป็นสมุธาน หมายความพยักหน้าก็ได้สั่นศีรษะก็ได้หรือว่าให้นัยยะทางสายตาเป็นต้นก็ได้จะไม่ได้พูดแต่พอดีมันสามารถจะสื่อสารได้ก็เรียกว่าด้วยภาษาด้วยอวบัจจนตภาษ า, าหาความสื่อสารทางกายก็ได้ตัววาจาได้ทีนี้คำต่อไปก็คือปิสุนกวัาจา แอบาวาจาที่ส่อเสียดมุ่งหวังให้ตนเป็นที่รักของคนอื่นหรือว่ามุ่งหวังให้คนอื่นแตกแยกกันหรือมุ่งหวังให้คนอื่นเรียดสั่งกันก็แล้วแต่คือสรุปว่าไม่ได้เจตนาดีพู ด, ด้วยไม่เจตนาที่ดีท่านนิยามไว้ว่า วาจาที่เป็นเหตุให้หัวใจของบุคคลผู้ที่ตนพูดด้วยเกิดความรักตนและเกลียดชังคนอื่นก็ชื่อว่าบิสุนาวาจาบิสุนาวาจานะครับทีนี้ส่วนวาจาที่เป็นเหตุทำความหยาบคายให้ตนเองบ้างผู้อื่นบ้างพระวาจาที่หยาบคายคือไม่ไพโรสโสดหรือไม่ชื่นใจนี้ชื่อว่า าวัจจาวาจาหยาบคําหยาบวาจาที่เป็นเหตุให้เจรจาเพื่อเจอริคือร้ายประโยชน์ชื่อว่าสัมผับปลาปะตัความยอมลองสังเกตนะสามคำนี้คําที่สี่พระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกว่าวาจาเรียกว่าสัมผับปลาปะหรือสัมผับปลาปีเรีว่าเพื่อเจริเหลวไหลไร้ราราราสาระ ไม่ได้เรื่องในเลวาเลยเจตนาที่เป็นมูลฐานของการกล่าวคำหยาบคำเพอ้อเจอ้อเหล่านั้นก็ได้นามว่าปิสุนาวาจาเป็นต้นเช่นกันในทีน่นี้ท่านประสงค์เอาเอาเจตนาคือหมายความว่าเราจงใจจงใจที่จะพูดโดยมุ่งไปที่ผลดังกล่าวคือตัวเองเป็นที่รัก เป็นที่อรใจของบุคคลทั้งหลายหรือว่าทาบุคคลอื่นให้เจ็บใจไม่พอใจคับแค้นใจ่อสร้างความไม่สบายใจให้แก่บุคคลเหล่านี้ทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากจิตใจที่คุณมัวเศร้าหมองด้วยอำนาจกิเลสวัจนเจตนาของผู้มีจิตเศร้าหมองที่เป็นสมุทฐานแห่งกายประโยคน์คือการพูด้วยกายหรือว่า ไม่ใช่การทําโดยกายรูปพูดโดวยวาจาเพื่อทําลายคนอื่นหรือเพื่อประสงค์จะให้ตนเป็นทิรักของผู้อื่นชื่อว่าปิสุณาวาจาปิสุณาวาจานั้นมีโทษน้อยเพราะผู้ถูกทําให้แตกกันนั้นมีคุณน้อยมีโทษมากแต่ว่าพวกที่เราทําให้แตกแยก น, นมีคุณมาก เพราะถ้ในลักษณะนี้เราจะเห็นว่าบางทีมันไปถึงอันลนัทธิยกรรมนั่นคือข้อสังเกเภทก็ที่จริงก็ใช้การพูดไปมุ่งหวังให้กลุ่มได้กลุ่มหนึ่งรัาากตนชอบตนแล้วก็กลุ่มนั้นเลเกลียดอีกกลุ่มหนึ่งและในที่สุดก็ ไม่ก็ผ่าสมาคงกันในชาดกท่านได้เล่าถึงไม่ใช่ในชาดกนะในประธรรมบทได้เล่าถึงพิสูจสองรูปให้ความเคารพนับถือกันแบบพระทุรงพระกรรมฐานทั้งหลายก็ยรวมทุกรุ่นสุกันไปไหนมาไหนด้วยกันอายุบรรษาก็ห่างกันไม่มากครับ แต่องค์ที่ปัรษาน้อยนั้นให้ความเคารพอย่างเกรงต่อองค์ที่พรรษามากที่มีปรรษามากจนมาพันเดินทางไปในป่าแห่งหนึ่งองค์เดินก็แวะเข้าก็ปราสาะนั่นนหะก็เรียวกะทำสรีระกิจแล้วก็ มีเทพเทพพระบุตรหรือเทพธิดาเนี่ยก็ได้ปลอมตัวเองลงมาเป็นมนุษย์คือพระเทเรสไม่เห็นหรอกตอนท่านออกม า, เ, าเทพธิดาตนนั้นก็ทำสยายผมคล้ายๆกับผ่านการหลับนอนกันมากับภิกษใุใหม่ๆ พระเทราที่ยืนคออยู่เห็นแต่ว่าพระเทระาที่ถูกถูกหลอกอะ่ะถูกต้มอะ่ะไม่รู้เรื่องหรือท่านไม่เห็นเมื่อเดินออกไปแล้วพอพระเทรซาผู้ใหญ่เห็นก็ภาพนั้นก็หายไป ปารเธี่าก็ไม่พอใจอย่างยิ่งคือรังเกียจคิดว่าองค์นี้ประราชิกแล้วแหะก็เลยแยกกันเลยไม่ยอมคขหาเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปจนในที่สุดเนี่ยก็จากกันไปตั้งสิบกว่าปีนยแล้วก็ไปเจอกันในที่แห่งหนึ่ง ก็องที่มีปรรษาน้อยที่ถูกกล่าวหานะก็เข้าไปกราบแหลวแต่อุโนทก็ยังรู้สึกไม่พอใจอยู่ในีสุดก็ซักถามกันท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้เรื่องไอบาปการรมตรงนี้ทำให้เทปธิดาตนนั้นในการสมัยพุทธกาลเนี่ย ก็มาเกิดเป็นกุลระบุตรออกบวชเป็นภิกษุบาปกรรมก็ตามสนองท่านท่านไปในที่ใดเดินในช่วงจังหวะอย่างหนึ่งก็จะมีคนเห็นผู้หญิงอยู่ข้างหลังท่านเดินบินทาบาทก็มีลักษณะอย่างนั้นระยะห่างจังหวะหนึ่งเนี่ย จะมีคนเห็นท่านจะมีมีเห็นคนมีคนเห็นผู้หญิงอยู่ข้างหลังท่านเวลาคนตักบาตรเลยก็ตักให้สองที่โบนี้สมัครพระคุณเจ้าอีกที่หนึ่งก็สมัครสหายของพระคุณเจ้าท่านไม่รู้เรื่องเลยจนในที่สุดเนี่ย ก็ถูกพูดบ่อยๆเข้าเพื่อนภิกษุที่เห็นที่ยืนห่างในจังหวะเท่ากันเนี่ยก็เห็นแต่ถ้าห่างออกไปหรือว่าใกลก้เข้ามาเนี่ยจะไม่เห็นมันอยู่ที่จังหวะหนึ่งจนถึงกับในที่สุดท่านก็ทนไม่ไหวอ่ะท่านท่า น, านไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะท่านไม่เห็นอะไรเลยเลยท่านก็ต่อว่าต่อว่าเพื่อน ว่ไปไหนมาไหนก็ผู้หญิง อ, อยู่หลับนอนก็ผู้หญิงคือที่ท่านพูดนะั้ท่านไม่ได้เห็นแต่ว่าพระอื่นที่ท่านพูดนะั้นท่านเห็นก็ไปจนถึงต้องเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รับสั่งทั้งสองฝายแล้วถามว่าทําไมเธอจึงกล่าวว่าโกณทานเนี่ยภิกษุรุปนี้ชื่อว่าโกนาธาน ไปไหนมาไหนก็ผู้จริงท่านก็บอกว่าท่านเห็นอย่งนั้นจริงแล้ถามท่านโกณาธานว่าคุณเห็นภิกษุรูปนี้ไปไหนมาไหนก็ผู้จริงหรือเปล่าท่านบอกว่าท่านไม่เห็นแต่ท่านไม่พอใจที่ท่านถูกกล่าวหาพุทธจาก็แล้วสั่งเตือนสติว่าเพื่อนเขาพูดเนี่ยเพราะเขาเห็นอย่างนั้น เจอเมื่อไม่เห็นอย่างนั้นก็ไม่ควรพูดตอนนี้ก็คือบาปรกรรมในอดีตของเธอจนในที่สุดเนี่ยพระเจ้าประเนสนตะโกศนต้องเสด็จมาดูเองเลยก็เห็นนะฮะพอจังหวะมันห่างได้จังหวะหนึ่งเนี่ยก็เห็นว่ามีผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังแต่พอเลยไปอา้าวไม่มีละอา้าวพอเดินใกล้ชิดก็ไปผู้หญิงก็หายไปละ พระเจ้าปเสนในโกโสนท่านก็บอกนี่โอ้อันนี้คงเป็นวิบากกรรมอะไรของพระคุณเจ้าเลยก็ไปภรวนาบอกว่าต่อไปเนี่ยพระคุณเจ้าจะลำบากเรื่องการบินทบาตก็จะไม่มีคนรักบาทปพ ร, ระบาทข้องโยมก็แล้วกันทีนี้ท่านโกนธานก็เรียกว่ามีแบกแบกใหญ่เลยเป็นกษัตร์ ท่นก็เชื่อมั่นในตัวเองในสุดก็บำเพ็ญเพียรแล้วก็บรรลุมรคลเป็นประหารไปภาพผู้หญิงกนนั้นก็หายนะอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องเจตนาอะไรละ่ะมันเกิดจากอยากล้อเล่นหรือว่าริษยาในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของพระธิระสองรูป ก, ก็ได้ แล้วก็ทำให้ตัวเองประสบผลกรรมยาวนานตอนคำพูดในลักษณะนี้ไม่ว่าเจตนาจะให้ตนเองเป็นที่รักของคนอื่นหรือว่า เ, เปลียดชังคนอื่นเป็นเจตนาที่มุ่งทำลายล้างมันก็เกิดจากกิเลสนี้แหละไอ้โลกกโลกนี่แหละแต่ว่าที่ท่านทำบางเรื่องมันอาจจะเพราะโกรธ ก, ก็ได้เพราะโล ก, ก็ได้เพราะ เราก็ได้เพราะปิชุณาปิชุณาวาจาในประกปปองค์สี่คือผู้ต้องถูกทําลายเป็นคนอื่นควาบุกหมา ย, ยําลายด้วยประสงค์ว่าคนเหล่านี้จะเป็นผู้แตกแยกจากกันด้วยอุบายอย่างนี้หรือประสงค์ว่าเราจะเป็นที่รักเป็นที่สนิทสนมด้วยอุบายอย่างนี้ แล้วก็พยายามที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของตัวเองแล้วคนที่เราพูดเนี่ยเข้าใจเข้าใจเนื้อความนั้นแล้วก็เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นเราสําเร็จประโยคแหละหมายความว่าเจตนาของเราก็สําเร็จตามที่ประสงค์จะพูด ก็ถือว่าเป็นพุทธบิดาวาจาคือวาจาที่สอเสียให้เราลองสังเกตวาจาในลักษณะนี้จะมีอยู่เยอะนะโดยเราไม่ได้คิดนะฮะเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นบาปที่ไม่จำเป็นจะต้องทำเพราะไม่ได้ประโยชน์อะไรแม้เราได้ประโยชน์แต่ว่า เมื่อความจริงถูกเปิดเผยขึ้นในวันใดวันหนึ่งขา้างหน้าเราก็จะเป็นที่เกลียดชังเป็นที่เกลียดชังของบุคคลทั้งหลายก็อย่างนิทานที่พูดถึงอีกาที่เอาขนนกยูงมาแสมตัวเองและในที่สุดไอ้นกยูงมันก็รู้เป็นอีกาแล้วพอ เข้าไปในฝูงกาไอ้ฝูงกาเองกาก็รู้ว่าไอ้นี้ยมันเป็นกาเราพวกเราด้วยกันนั่นแหละแต่ปลอมไปเป็นนกยุงเพราะนั้นเข้ากับฝูงนกยุงก็ไม่ได้เข้ากับฝูงกาก็ไม่ได้กลายเป็นสัตว์ที่เพื่อนเขารังเกียดทั้งสองเผ่าพันธุ์นกยุงก็ดังเกียจอีกาก็ดังเกียจแต่นี้พระรุสาวจาําหยาบ คำหยาบนั้นเป็นประเด็นที่ที่เราเข้าใจอะ่ะคือเราเราเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าคําพูดอะไรก็ตามที่เราฟังแล้วเราไม่พอใจเราไม่สบายใจคํานั้นก็เป็นคําหยาบแต่อย่าลืมวันนี้เป็นเรื่องของกรรมกรรมนั้นจะต้องมีเจตนามีความจงใจแล้วก็มุ่งผลไปในทางด้วยความโลภหรือด้วยความโกรธเป็นหลัก ผลเจตนาที่หยาบคายโดยส่วนเดียวอาจจะทำด้วยกายหรือด้วยวาจาที่เป็นเหตุตัดรอนความรักของคนอื่นชื่อว่าพุษสวาจาร์คือโรคราคําหยาบกับเขาคำด่า ก, กับเขาเนี่เขาก็ไม่ชอบเรื่องนี้ท่านได้แสดงถึง เด็กหญิงคนหนึ่งไม่เชื่อถ้อยคำของมารดาแล้วก็เข้าไปในป่ามารดาเมื่อไม่สามารถแะ่เขากลับได้จึงด่าว่าขอให้แม่ควายดุจงขิดจงไลขิดมึงขันแล้วแม่ควายได้ปรากฏแก่เขาเหมือนอย่างที่แม่ว่าจริงๆเด็กจึงทาสัจจะกิยาว่า คุณแม่ของข้าพเจ้ากล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปากขออย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่คิดอย่างใดด้วยใจก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแม่ควายได้หยุดอยู่ชะงักอยู่นะที่นั้นแล้วก็นั้นแสดงให้เห็นว่าแม่ก็พูดในปากเฉยๆไม่ได้เจตนาที่จะให้ลูกตรุควายกิดตาจริงๆหรอก แล้วความก็ไม่ทําอันตรายอะไรโดยสัจจะกิริยาคือการตั้งสัตยาธิฏฐานของแก่เพราะงะั้นแต่การกล่าวคําหยาเนี่ยมันตัดรอนความรักความผูกพันที่มีต่อกันดังที่กล่าววันเนี้ยมันไม่ได้ชื่อว่าคำหยาเพราะไม่ได้ตัดรอนกล่าวด้วยความห่วงใยวิตกกังวลต้องการจะปราบลูก เพื่อไม่ให้ไปเที่ยวรวนตรายจะเกิดขึ้นในระหว่างทางวัดีบ้านมันอยู่ในป่าเลยก็พูดระควายป่าขวิดทีนี้เพราะมันดานี่มีจิตใจอ่อนโยนบางครั้งพ่อแม่พูดกับลูกด้วยคำคำหยาบหยาบเจนขอให้พวกโจรฟันกวนเองให้ขาดเป็นท่อนทอดถึกกราวแรงนะคราวแรงก็คล้ายๆจะแช่งแต่จริงก็ไม่ เป็นการกล่าวเฉพาะปากเฉยๆเจตนาไม่ได้มุ่งให้เกิดอย่างนั้นแม้แต่เพียงกรีบดอกขุบนก็ไม่ประสงค์ให้พวกอยู่ในปกครองตัวเองทั้งก็เรียกว่าทั้งอันเตวสิทธะสัตทิบริกอันเตวสิกก็คือลูกศิษย์นะฮะสัต ธ, ธิบริกก็คือคนที่ท่านเป็นอุปชายยะ เรืออาจารย์อุปชายะกล่าวประสันธิบริจังเนี่ยผู้นี้จะพูดอะไรกันก็ไม่มีอย่างไงไม่มีความเกรงกลัวถึงไล่เขาไปเสียอันนี้ก็มีบ่อยนะคือพระพุทธเจ้าต้องการจะกำราบพระที่ส่งเสียงอือกึกลึกโครมคุยกันไม่ระมัดระวังการอยู่ร่วมกับคนอื่นก็รับสั่งขับไล่ อยากที่นั้นไปให้ไปอยู่ที่นั้นที่นั้นที่นั้นที่นั้นพระท่านไม่รู้สึกโกรธเคืองพระพุทธเจ้าแต่รู้สึกว่าเป็นความกรุณาของพระโลกที่ต้องการกำราบให้ระนักสำนึกสำเนียกในทางที่เหมาะสที่ควรตอนนี้เพราะว่าทรงพูดด้วยมุ่งอนุเคราะห์ต่อภิกษุทั้งหลายให้ มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรออกไปเพราะการพูดโดยวาจาอย่างนี้ไม่เป็นผุวสวัดคือไม่ถือว่าเป็นคำหยาบเพราะผู้พูดมีจิตใจอ่อนโยนแต่ว่าคำเหล่านี้บางทีมันอาจจะไพเราะแต่มันก็หยาบนะเช่นว่า คนเป็นชาวบ้านตัวตัวไปเนี่ยเราไปเรียกว่าคุณหญิงท่านผู้หญิงอันนี้ก็เป็นคำดา่าคือยกให้สูงขึ้นเกินที่เขาเป็นจริงหรือบางทีเขาเป็นคุณหญิงคุณนายเราก็ไปกดเขาเป็นนางนั้นนางนี้หรือภาษาของชาวบ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำดา่าเป็นคำหยาบเหมือนกันดังนั้นทั้งสองประการเนี่ยที่ที่ทตัวตัวอย่างที่เล่ามาทั้งหมดในที่อุปชาพูดก็ สัตวิวริคอีาอาจารย์ผู้กันเตวสิกที่แม่พูดกับลูกที่พ่อพูดกับลูกด้วยเจตนาห้ามปรามปกป้องของภัยอันตรายหรือมุ่งอนุเคราะห์ให้เกิดจิตสำนึกที่ดีงามเก่คนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองทั้งหมดก็ไม่เป็นคำหยาบหรือว่า คนที่พูดว่าเพราะว่าคำพูดของผู้ประสงค์จะให้เขาตายว่าแกจงให้คนนี้นอนสบายเถิดดังนี้เป็นพรุทธสวาสดนะพูดนิ่มนะพูดนิ่มแต่ว่ามันเป็นในยะหมายถึงฆ่าให้ตายนะหมายถึงฆ่าให้ตายเป็นคำสั่งย่พ่อ สั่งลูกน้องให้ข้าแกจงให้คนนี้นอนสบายเถิดเป็นผลุสวาสคือเป็นคำหยาเป็นคำดา่ามุ่งความพินาศความเดือดร้อนความล้มตายให้เกิดขึ้นแก่คนที่ตนพูดถึงเป็นผลุสวาสจึงมีโทษมากหรือมีโทษน้อยก็หมายความว่า ถ้าเราไปพูดกับคนที่มีคุณมากเนี่ยคําหยาบนั้นจะมีโทษมากถ้าพูดกับคนที่มีคุณน้อยก็มีโทษน้อยที่ไม่มีโทษนั้นไม่มีถ้าเป็นพรุษวัดแต่ว่าคําแม้จะหยาบแต่ว่าเจตนาไม่หยาบมันก็ไม่ถือว่าเป็นพรุษวัดคือไม่ถือว่าเป็นคําหยาบพระองค์ประกอบมันก็มีอยู่แค่สามอย่าง คือผู้ที่จะต้องด่าเป็นคนอื่นด่าด้วยจิตที่คุณเคืองนะฮะแล้วก็ด่าด่าด้วยคำยกให้สูงก็ได้กดให้ต่ำก็ได้ก็ถือว่าเป็นคำหยาบทีนี้สัมผับปลาปะรเรียกคนพูดว่าสัมผับปลาบีหมายความว่า เป็นการจงใจที่เป็นอกุศลที่เป็นที่ตั้งทั้งกายและทางวาจาทำห้ผู้อื่นเข้าใจคำพูดที่ร้ายประโยชน์ชื่อว่าเป็นสัมผัสปลาปะจะมีโทษน้อยก็เพราะผู้ที่เราพูดเนี่ยมีคุณน้อยที่มีโทษมากก็เพราะว่า ผู้พูดมีความเคยชินมีความแบบคุ้นเคยอยู่มากคือประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อยู่มากว่าองค์ประกอบก็มีเพียงสองเรื่องคือความมุ่งหน้าที่จะพูดถ้อยคำร้ายประโยชน์มีเรื่องสงครามภาละตะเช่นพูดเรื่องรามเกียรติอย่างเงี้ยในแนวที่ เป็นเรื่องสนุก ป, ปรามาเกียรติจริงๆถ้าเราจะพูดประกอบการอธิบายธรรมะแล้วชัดเจนมากเรียกว่าอธิบายธรรมะได้ทุกตอนเลยเรื่องรามาเกียรติก็เป็นการสอนธรรมะจากพฤติกรรมของมนุษย์มันไม่เหมือนกับมหาภารตะยุ ที่สอนธรรมะด้วยโอวาท ด, ด้วยกล่าวธรรมด้วยการฉันทะรักอะไรต่างๆบางทีไร้เสยาวเลยไพเราะแต่การพูดในฐานะที่เป็นนวนิยายหรือตามปกติแล้วเราก็อ่านแบบนวนิยายวรรณกรรมอ่านเพื่อสนุกเขาว่าพระต่างไพสานเนี่ยท่านเท่กันเยอะเรื่องเลย แต่ก็ไม่เคยถามใครนะได้ยินเขาล่ากันแต่วิธีแทศของท่านนี่สอดแทรกเรื่องเยอะหยุดอธิบายปุกลิกภาพการกระทำการพูดความคิดของตัวละครในเรื่องเป็นเรื่องที่คนคุ้นเคยแต่คนไม่ได้คิดพอเกิดบอไในแง่ธรรมากขึ้นมามันก็เกิดประโยชน์อีเกเยอะแล้วก็ เรื่องสงครามมหาภาลตายุทธแล้วก็เรื่องรามเกียรติ์เป็นต้นเนี่ยการกล่าวถ้อยคำชนิดดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องรายสาระในประเด็นนะฮะในประเด็นที่เราไม่ได้ดึงเอาธรรมะจากปุกลษการพูดการทำของตัวละคร อ, ออกมา ตั้งเป็นข้อสังเกตให้วิเคราะห์ตรวจสอบเพราะในแง่ของความเป็นจริงถ้าเราดูให้ดีว่าเรื่องราวเมาเกียนมันก็คือเดียวกับเรื่องพระเจ้าสิบชาตินั่นแหละแต่วันสลับซับซ้อนมากกว่ายาวมากกว่าจำนวนหนังสือที่เขาพิมพ์กแข็งในปัจจุบันในมีทั้งสี่เล่มนะสี่เล่มก็อ่านกันหลายวันเนี่ยจึงจะจบแต่ถ้าเรา นำมาคิดในแง่ของลีลาของกรรมหรือลีลาของธรรมอย่างที่มาเรียบเรียงหนังสือเรื่องความยุติธรรมอยู่ที่ไหนใครรู้บ้างใครเห็นบ้างเราก็ยกตัวอย่างในรามเกียรติ์คือมันอะไรล่ะคือไกลเรื่องคนปัจจุบันนะ่ะ แต่ว่าพฤติกรรมอย่างนั้นมันเป็นพฤติกรรมถาวรในสังคมสัตว์โลกคือการเบียดเบียนประทุษร้ายกันด้วยอันนี้ก็ราคาตัณหานะฮะโทสะมานาทิฐิอะไรต่ออะไรต่างๆออกมาเยอะ ทีนี้ข้อต่อไปก็เป็นเครียกอนักอะพิชาแปลว่าความเพ่งเล็งโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นคือหมายความว่าจิตใจจริงจริงจริอันนี้มันเป็นความคิดนะเป็นความคิดไม่ได้ทําไม่ได้พูดออกไปหรือถ้าตามพูดออกไปมันก็ผิดผิดข้างบนแล้วในบไม่ได้ผิดข้อ น, นี้ แต่ว่าการเคลื่อนไหวของกุศลอกุศลเนี่ยมันมันออกจากใจก่อนแล้วออกจากวาจาออกจากกายก็แล้วแต่แหละแต่ว่าวิธีการอธิบายการสอนเนี่ยท่านจะพูดที่กายก่อนคือเอายาบับยับมาพูดซะก่อนแล้วก็ย้อนกลับก็ไปหาที่ดูยากขึ้นคือทางวาจา แล้วก็ดูยากขึ้นก็คือทางใจแต่ทั้งกุศลแลกุศลเขาก็เดินบนวิธีตรงเนี้กายวาจาใจเนี่ยแล้วก็เริ่มที่ใจก่อนบางทีก็มีแรงกระแทกจากข้างนอกในขณะนั้นบางทีมันนึกคิดเรื่องที่เราไม่พอใจแหนดดีขึ้นมาในขณะนั้นแล้วก็ออกมาในรูปของ การเพ่งเล็งโลภอยากได้สิ่งของของบุคคลอื่นจะโดยความคิดว่าทำยังไงนะจะได้ของของคนนี้มาเป็นของเราเพื่จะมีโทษมอน้อยหรือมีโทษมากมันก็อีกแหละคือว่ามูลค่าของสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเจ้าของสิทธิของทรัพย์สินเหล่านั้นมีคุณมากหรือมีคุณน้อย ถ้ า, ากว่ามีคุณมากโทษก็ามากเขาก็มีคุณน้อยโทษก็น้อยแต่สรุปว่ามันก็มีอยู่สองประเด็นคือของของผู้อื่นแล้วก็น้อมสิ่งนั้นมาเพื่อตนก็สองอย่างเกิดความโลภที่มี วัตถุสิ่งของของบุคคลอื่นนี่เป็นเหตุกำรมบดยังไม่ขาดนะกรรมบดยังไม่ขาดจนกว่าจะน้อมใจขอให้ได้สิ่งนั้นมาเป็นของของตนก็เป็นการเคลื่อนไหวทางใจกิจใจมันนึกน้อมนึกเอาไนะแต่อย่าลืมว่าบาปรกรร น, นั้นมันเริ่มมาจากใจ ใจตั้งไว้ผิดแล้วก็ลามวาไปได้เรื่อยๆจึงฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความไปเินงอกงามไพบูรณนธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทั่วกันสวัสดี